ถ้าท่านสอนท่านก็จะบอกว่าให้ภาวนาพุโทโธนะเนอเพราะนั้นขอให้พวกเราพรณะจตา่ายญาติโยมทุกโมเหล่าก่อนที่จะหลับนอนไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งกัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ที่พวกบางคนบางท่านก็ปวดเข่าได้เคยพ่าตัดเข่ามาแล้วจะนั่งขัดสมาธิไม่ได้นงนั่งเก้าอี้ก็ ไ, กกไกม่เป็นไรได้นะแต่ว่าให้นั่ง